จริงๆการเรียนวิถีมีอยู่ประมาณ 4-5 หวิถีหลักๆเท่านั้นเองวิถีที่เหลือมันเป็นประเด็นเปรีกย่อยนะเราไม่ถึงขนาดไปเที่ยวไปไปแสดงไปปาตักถาอะไรก็บางส่วนยังยังไม่ต้องจำก็ไม่เป็นไรนะจำวิถีหลักๆไว้หนึ่งปัญจทวารวิถีสองมโนทวารวิถีสามมรรควิถีอภินยาวิถีก็พอแล้วนะประเภทนี้แหละเพราะว่าที่ใช้ใช้บ่อย อีกวิธีหนึ่งก็น่นาสนใจกันนะมรนาตณวิถี <c oughs> วิถีใกล้ตายนะประมาณห้าหวิถีเองไม่กี่ชุดอะ่ะเสร็จแล้วศึกษาพระธรรมก็จะเบาไปเยอะแหละแต่ถ้าเราไปจําละเอียดโหได้เขา ว, วิถีเป็นร้อยๆ้อยฟังแล้วเหนื่อยเลยนะจริงๆมันหลักๆมันมีไม่กี่อย่างเรียนเรื่องจิตก็เหมือนกันนะจิตเนี่ยให้พูดเป็นชาติไนวะ้อ่าก็เรียกว่าแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเข้าไว้ก่อนกุศลอกุศลไม่บาค ก, กิริยาอย่างนี้ก็ได้ กุศลอกุศลอพยกตะอย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยๆไล่ต่อไปมันจะเบาแต่โ่้โปดสิบเก้าจิตมี8ปสิบเก้าหรือหนึ่งร้ยิบเดวงคือเนี่ยหนักหน่อยเต่แล้วก็เวลาจะพูดถึงคำว่าจิตนะตัวเลขจะมาแล้วพพพพพพโอ้เหนื่อยแต่ถ้าตั้งอีกในหนึ่งก็ไม่ยากเกินไปเอากุศลอกุศลวิบากกิริยามามาจับนะวิถีก็เหมือนกนนารปัญจทวารวิถีกับมโนทวารวิถีแล้วทีนี้ต่อไปว่า ในมักคุวิถีนั้นวิถีที่เป็นปัจจัยก็คือประเภทสังขารุเปกขายานนั่นเองเป็นปัจจัยนะสังขารุเปกขายานมุนจิตุกรรมมยตายานพวกนี้ก็เป็นชื่อของยานเดียวกันนั่นเองปฏิสังขายานเนี่ยก็อันเดียวกันเนี่ยอย่างนันะต่างกันโดยชื่อนะวิปัสสนาญาณที่เป็นประเภทสังขารุเปกขายานก็มาจากประเภทนิพพิทายานนิพพิทายานอาทีนวยานพยานสมอย่างก็ อันเดียวกันนั่นแหละ น, นละ ย, ยานเหล่านั้นมีอะไรเป็นอุปนิสัยให้นะก็มีพังคยานพังคยานมีอะไรเป็นอุปนิสัยมีอุทยพยานย า, ย, ยานที่ประเภทเกิดดับเป็นอุปนิสัยนะอุปนิสัยของเกิดดับคืออะไรสัมนญาณนะสัมมสนาญาณนะมมก็คือตีระปริญญาที่เราค้นค้นกันนั่นเองตีระปริญญามากๆเป็นอุปนิสัยให้รู้การเกิดดับนะ คนที่จะมีตีระนาปริญญาดีก็ต้องรู้จักอะไรดีรู้จักปัจจัยดีนะปัจจัยเช่นกรรมปัจจัยเป็นต้นในปัจจัย24นะปัจจัยที่น่าน่าสนใจมากก็คือเช่นกรรมปัจจัยถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมปัจจัยปัจจัยเดียวดีนะอุปนิสัยปัจจัยเราก็จะเข้าใจด้วยนะแล้วก็ขณะที่ทำกรรมจิตเจตสิกเกิดร่วมขณะทากรรมนั้นตระกูลสหชาตชาติ ก็ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ที่จะรู้ปัจจัยดีนี่มีอะไรเป็นเป็นปัจจัยอีกที่จะรู้ก็คือการรู้จากเรื่องรูปนามขันห้ความรู้เรื่องรูปนามขันห้าดีจะทำให้รู้จักปัจจัยดีนะังนั้นความเข้าใจในเรื่องว่าอะไรคือขันอะไรคือธาตุอะไรคืออิจตนะอะไรคือสัจจะอะไรคืออินทรีย์อะไรคือปฏิจจแล้วก็ความรู้อันนั้นเนี่ยขอให้มันอยู่ในกายเรานะ ขอให้สงเคราะห์ลงมาในในร่างกายของเราให้มองชีวิตของเราเป็นรูปนามขันห้าหรือพิจารณารูปนามขันห้าแต่ก็ไม่ใช่เลยเถิดจนมีแต่ขันห้าเลยนะคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างก็ยุ่งเหมือนกันนะเหมือนกับที่คุณวิลาวันพูดคำขำใช่ไหมสวัสดีคุณรูปนามขันห้าอย่างนี้หนละ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็คือคําพูดป ร, ปรมามัตดนั้นการใช้คําเนี่ยก็มีความจําเป็นมากคําพูดในเชิงปรมามัดนั้นบางทีนะถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรไม่ควรกล่าว ใช่ไหมอย่างบางเช่นเช่นคําว่าไม่เที่ยงเนี่ยพูดพร่าเพื่อเสียคนเลยนะนั่นแหละหรือพูดเช่นเฮ้ยเย็นด้อนอ่อนแข็งเท่านั้นแหละอย่างเงี้ยเฮ้เดี๋ยวได้แข็งจริงๆแหละเรื่องั้นคำพูดประเภทปารมัดนั้นเป็นคําพูดที่บนพื้นฐานของกุศลจิตไม่ใช่บนพื้นฐานของการพูดเล่นถ้าพูดเล่นเป็นเพรสเจิร์นะแล้วก็สิ่งที่เพรสเจิรนั้นกลับเอาพระธรรมมาเพรสเจิรนั้นเป็นสิ่งที่ ที่น่าสงสารเหมือนกันนะเจตนาที่ทำให้แบบนั้นก็มีหลายแห่งอ่ะก็มีแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็มีแต่ประมาทตึงหมดเลยนะจนคุยภาษาธรรมดาก็แทบไม่รู้เรื่องกันนะสักแต่ว่าแข็งอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวแข็งในรากดจริงๆอะไร่ะปรากฏที่ไหนที่หน้านั่นแหละป๊าปหนึ่งเข้าไปใช่ไหมพอถ้าพาลมปาโกดเนี่ยโอ้ยทุกขะกายวิญญาณปากฏอีก ชาวนะโทสะเกิดเด็กไงชาวนะนั้นทำจิตตะชรูปนะกำมือนั่นซัดเข้ไป <c oughs> นั่นแหละนั้นไอ้ปรมามัตถานั้นเป็นการสนทนาต่อเมื่อเรียกว่าอาศัยกาละที่เหมาะสมเป็นต้นนะนั้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปนามขันหานั้นมีความสาคัญมากถ้าหากว่าเราไม่พยายามสงเคราะห์เรื่องรูปนามขันห้าลงในในชีวิตของเรามากๆนะ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 12. 12ก็จริงๆก็เรื่องในภายในของเราทั้งนั้นแหละโดยเอาทวานมาเป็นเป็นหลักใช่มตากับสีเป็นต้นอย่างธาตุส8ก็เหมือนกันในทางตาก็แบ่งออกเป็นนะจักคูธาตุรูประธาตุจักคูวิญญาณธาตุเปลี่ยนทวานอื่นอีกนะคูณ6เท่ากับ18นะอินสียิบเนี่ยจะจำก็จำไม่ยากใช่ล่เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจได้6และนะแล้วกแล้วก็จะมีอะไรอีก มีผู้หญิงผู้ชายใช่ไหอิทธินีปุริสินีแล้วก็ชีวิตตินีนะที่เป็นรูปแล้วพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหญิงชายแล้วก็ชีวิตก็ทำให้เกิดความรู้สึกห้าอย่างนะหนึ่งสุขทุกข์แล้วก็โทมนัตโสมนัตอุเบขาเป็นห้าอีกห้าเข้าไปใช่มทีนี้พอทั้งหมดนี้เรียกว่าอินซีที่เป็นทุกขสัตนะ ทางตาตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อินทรีย์ที่เป็นหญิงเป็นชายแล้วก็เป็นชีวิตนะอินทรีย์ที่เป็นเวทนา5อย่างที่เกิดจากการกระทบสัมผัสของอินทรีย์อื่นอื่น่ะนะก็คือสุขทุ ก, กข์เบคะแล้วก็โสมนัสโทมนัสถ่มใช่เสร็จแล้วอินทรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติอีก5อย่างคือศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญา ถามว่าสัสธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเป็นอินทรีย์ที่ปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติมาวินิจฉัยอินทรีย์ต้นๆ้นนั่นเองนะเป็นข้อมาวินิจฉัยพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแะหละอินทรีย์ประเภทนี้เป็นอินทรีย์ของการปฏิบัติเช่นว่าศรัทธาเนี่ยนะที่จะพิจารณาก็คือศรัท ธ, ธาอย่างไรศรัท ธ, ธาที่พิจารณาว่าจากขุนศีนี่มีมีอะไรจากขุนศีนั้นเป็นผลของกรรมใช่ไหม มีศรัทธาในการพิจารณาเรื่องกรรมเป็นต้นนะวิริยินทรียพิจารณาเทือที่จะที่จะไม่ทำกรรมใหม่ที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่สตินทรีก็ไม่ประมาทนะสมาธินทรีก็สงบแล้วก็ปัญญทรีก็พิจารณานีทุกหนีทุกขสมุทยัยใช่ไหยว่าไอ้อินทรีอ่ะตั้งแต่จักขุนทรีเป็นต้นนี่เป็น ทุกขสัตว์โลภะที่เป็นเหตุแห่งอินทรีย์ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นสมุทรยศาส์ความไม่เป็นไปของอินทรีย์ทั้งสองของทุกขกับสมุทยเป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมแล้วก็จะเกิดอนัญญตัญญสามีตินทรียนะ์อินทรีย์ที่เป็นผลของการปฏิบัติมี3อย่างคือโสดาปฏิมรักเรียกว่าอนัญญตัญญสามีตินทรีย์และก็อัญยินทรีย์นะก็คือมรรคผลที่เหลืออรหัตผลชื่อว่า อัญญาตาวินซีนะฮะก็เป็นอินรีย์ที่เป็นผลของการปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งอันพงศ์ก็เลยเรียงอินซีสิบยิบสอซึ่งก็อินทรีย์ที่มีอยู่ในชีวิตของเรานะเว้นโลกุตระอินทรีสามที่เหลือที่เหลือมีหมดแหละเ <c oughs> ช่นจากขุนศีใครไม่มีบ้างคนตาบอดนั้นนะไม่มีใช่ไหมโสดินทรีย์เป็นต้นก็คนหูหนวกเท่านั้นแหละที่ไม่มีดังนั้นอินรีย์เหล่านี้ถ้าไม่เรียนรู้ก็เป็นเป็นอะไร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 แต่ก็ไม่บำเพ็ญก็เพราะอาวิชชาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราสบเจริญความรู้เหล่านี้มากๆขึ้นอวิชชาก็ไม่ได้ช่องเมื่ออวิชชาไม่ได้ช่องอากุศลก็ไม่ได้ช่องด้วยนะการเจริญกุศลก็มีแต่จะเจริญงอกงามไปเรื่อยๆข้อความในคาถาธรรมบทกล่าวว่าผู้มักพูดคําไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกหรือแม้ผู้ใดทาแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้ทา คนแม่ทั้งสองนั้นเป็นมนุษย์มีกรรมเลวทรามละไปในโลกอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันแปล ว, ว่าตายแล้วตกนรกทั้งคู่อ่ะคือคนที่พูดไม่จริงก็ตกนรกหรือว่าคนทําแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทําก็ตกนรกเหมือนกันก็บอกว่าเรื่องนี้อาศัยที่เดียร์ีเนี่ยเดียร์ีกล่าวถึงกล่าวตูพระพุทธเจ้าะนะว่าพระ อ, องค์นี้เป็นคนฆ่านาง สุนธรีอะข้านางสุนทรีทถ้าหากว่ารักษาศีลข้อมูสาวาดดีรักษาศีลข้อวาจาดีนะมีผลตรงนี้ยกมาสิบสามอย่างนะน่าสนใจนะถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีนะรักษาศีลข้อวาจาดีหนึ่งเวปรสรรนินริยตาความเป็นผู้มีอินทรีย์ผ่องใสนะจากขุนซีก็ดีโสตินซีเป็นต้นก็ดีถ้ารักษา สินข้อวาจาดีนะตาหูจะูหมเล้นกายใจผ่องใสนะแต่ถ้าหากว่าไปหลอกใครมาเนี่ยนงีแหม ย, ยิ้มไม่ค่อยออกกนะันเนอะเดี๋ยวเขาจับได้วาดระแวงเป็นต้นนั้นอินทรีย์จึงไม่ค่อยผ่องใสต่อไปสองวิสัตธรรมมัทุระภาณิตาความเป็นผู้มีปกติพูดด้วยถ้อยคำสละสลวยและก็อ่อนหวานนะมัทุระก็คือพูดเหมือนน้ำผึ้งอ่ะแปลว่าหวานเลย ต่อไปก็สมศิตะสุทนะทันตาตาอันนี้ใครอยากมีฟันงามก็รักษาสินก่อนนี้เอาไปแล้วกันเป็นผู้มีฟันเรียบเสมอทั้งขาวและสะอาดนะทนใช้วาจาดีเนี่ยมีผลต่อฟันด้วยนะแต่แต่ก็บอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นนะพูดไม่ดีบางทีก็ฟันฟันเสียหายก็เหมือนกันนะนั่นแหละที่ธรรมเลยอ่ะ แต่ถ้าหากว่าทาไมฟันแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันก็มาจากกรรมที่ทแตกต่างกันังั้นการใช้วาจานั้นมีผ ล, ผลในเรื่องฝันค่อนข้างมากหมอทั้งสยต้องระวังเรื่องนี้มากๆหนะต่อไปนั้นนาติทุลตาความเป็นผู้ไม่อ้วนจนเกินไปเออรักษาวาจาดีก็ไม่อ้วนมากนะต่อไปนั้นนาติกีสตาความเป็นผู้ไม่ผอมจนเกินไปแล้วก็นาติทีฆตาไม่สูงจนเกินไป ต่อไปนะความเป็นผู้มีสัมผัสแปลนสพนะคือแปว่าผิวไม่หยาบจนเกินไปนะต่อไปก็ความเป็นผู้มีกลิ่นปากหอมเหมือนดอกอุบล น, นะถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีฟันอ่า ม, มีมีพูดและกลิ่นปากหอมเหมือนกับคําว่าเด็กๆด็นะนะเด็กๆ็เล็กเนี่ยกลิ่นปากจะหอมเขาว่างั้นต่อไปนะถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็จะเป็นผู้ที่มีบริษัทเชื่อ ฟ, ฟั ง, ฟงตั้งอยู่ในโอวาสคือแปว่าพูดอะไรก็มีคนฟังอะ่ะ มีคนเชื่อบางคนเนี่ยโอ้ยขอพูดทีงก็ไม่ให้พูดสักทีงเลยนะพูดแล้วก็ไม่เชื่ออีต่างหากนะกว่าจะพูดได้สักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีคนสนใจฟังมันก็แสดงว่าศีลข้อนี้เราไม่ดีนะต่อไปนะอาทยะวจนะตาความเป็นผู้มีวาจาเชื่อถือได้รักษาศีลข้อนี้ดีก็จะมีคนเชื่อถือถ้อยคําเชื่อถือวาจาแต่ถ้ารักษาไม่ดีนะพูดอะไรมีคนฟังหนระือเปล่า ต่อไปก็ทารักษาไม่มุ้สาก็ทําให้เป็นผู้มีลิ้นอ่อนนะลิ้นแดงและก็บางเหมือนกลีบดอกอุบลก็แต่ก็สานวนะนะไม่ใช่ว่าบางขีดขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะก็คือสั ญ, ญลักษณ์ของการมีลิ้นอ่อนลิ้นแดงเป็นต้นเนี้ยก็คือทําให้คําพูดนั้นเป็นคําพูดที่สละสลอยด้วยต่อไปก็เป็นผู้ไม่หดหูนะรักษาศีลประเภทนี้ไม่หดหู่บ่อยๆ แล้วก็เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านนะการใช้วาจาเนี่ยมีผลต่อทั้งรูปร่างกายด้วยมีผลทั้งอัธยาศัยด้วย <c oughs> ก็คือพวกศีนั่นเองใครมีอะไรสงสัยบ้างไหมนี่ <c oughs> ว่าจะได้ไปหรือไม่ก็ไปดูใกล้ไตอีกครั้งนึงนะคือไม่เขาว่าคนทําชั่วนะทางกายทางวาจาทางใจไม่ได้หมายว่าต้องไปนรกหมดนะ คือถึงครบกรรมาบทก็ไม่ได้แปลว่าไปนรกหมดก็คือไปสืบสวนอีกครั้งหนึ่งว่าใกล้จะจุตินี่ชาวนะเขาเป็นอย่างไรอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางคนนั้นเขาอาจจะละลึกถึงกุศลได้ในขณะที่ใกล้าตายก็ได้เพราะว่าคนเราไม่ไม่มีใครชั่วนิรันดรไม่มีใครดีถาวรด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทั้งดีทั้งชั่วมันก็สลับกันแต่ว่าภาพที่ปรากฏให้คนทั่วไปเห็นอาจจะชั่วมากหน่อย แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทําดีความดีที่เขาสะสมไว้ที่เขาทําไว้ที่เขาบําเพ็ญก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาใกล้จะตายความดีอันนั้นอาจจะให้ผลก็ได้ในพูดเผื่อเลือกกันนะแต่จริงๆแล้วส่วนน้อยมากพ่อพระ อ, องค์บอกว่าเหมือนกับนะนกที่ติดบ่วงนายพรานแล้วน้อยตัวนักที่จะหลุดนะสัตว์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปสู่สุคติคืนหรือว่าไปเป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะ น้อยมากนน้อยมากพระอาจารย์คะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเจตนาที่เขาพูดตลกนะฮะก็เพื่อจะบันเทิงคนฟังแล้วก็ได้หัวเราะก็เป็นไม่โทสะอะไรได้ไหมพอจะช่วยได้บ้างไหมเจตนาเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะจะจะให้เป็นยังไงนะช่วยที่ว่าช่วยอะไรช่วยให้คนฟังหัวเราะแล้วก็ ม, มีความสุขบ้างหัวเราะด้วยมหากุศันใช่ไหมคือปกติเนี่ยนะ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 คนคิดไม่ดีถ้าส่วนยานั่นแหละขอยาครับบางครั้งการพูดไม่จริงเนี่ยเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันเช่นคนทะเลาะกันเขาถามว่าคนนั้นเขาว่าเราหรือเปล่าเนาะบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเงี้ยหรือเขาไม่ว่าอะไรเงี้ยนี่จะถือว่าโกหกหรือเปล่าคะคือ เราต้องมาแยกเป็นขนาดขนาดไปผมขณะดีก็ขนาดหนึ่งขณะไม่ดีก็ขนาดหนึ่งทีนี้ส่วนหนึ่งก็จะเอาไอ้ความดีเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นตัวไปกลบก็ก็ไม่ได้มันก็คนละตอนกันอะทีนี้ว่าบุพภาเจตนาอาจจะไม่มีกําลังมากนักในขณะที่ที่มุสาวาตนะเช่นบุพภาเจตนาก็คือไม่อยากให้เขาทะเลาะเทะเลาะเบาแว่งกันแต่ก็ขณะที่กําลังทําก็เป็นมุสาวาต แต่ถ้าหากว่าคนที่มีความเคร่งครัดในการใช้วาจาะนะั้นน่ะอย่างน้อยที่สุดพอพูดไปแล้วจะมาเดือดร้อนใจนะถ้าคนที่มุ่งผลในการเจริญกุศลธรรมที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะนะั้นน่ะคำพูดเหล่านี้นะไม่พูดยังจะดีกว่าเลยไหนเะฉยยังจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันจะตามไปเล่นงานทําให้เดือดร้อนใจมากนะถ้าถ้าเป็นคนที่เจริญกุศลธรรมเช่นการฟังธรรมการศึกษาพระธรรมการเจริญกรรมฐานเป็นต้น ันคำพูดแต่ละคำเหล่านั้นมีผลต่อจิตใจเราทั้งหมดเลยบางคนเนี่ยไปพูดทั้งๆที่เรื่องมันไม่จริงใช่ไหมก็พูดก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรมากนักหรอกคือโดยโดยเหตุการณ์ทั่วไปแต่ว่าจิตในขณะนั้นมันสูญเสียหมดแล้วใช่ไหมสูญเสียอะไรบ้างถ้าจิตเป็นอกุศล น, นะมุสาวาทเนี่ยล่วงมาทางวจีทวารใช่ไหมขณะนั้นสูญเสียศรัทธาสูญเสียหิริโอตตะสูญเสียสุตตะสูญเสียจารค้าสูญเสียปัญญาสูญเสีย วิริยะสูญเสียกุศลคุณงามความดีสูญเสียกุศลส่วนอื่นๆด้วยเขาบอกว่าคนที่รู้อยู่แล้วยังมุสาวาดไม่มีความชั่วอื่นอีกที่เขาจะทำไม่ได้นั่นแหละไม่มีไม่มีอกุศลส่วนไหนที่เขาจะไม่กล้าทำอีกต่อไปถ้าเขายังรู้อยู่แล้วก็ยังพูดไม่จริงนะยังยังรู้อยู่แล้วยังพูดมุสาวาทได้เพราะว่ามันเป็นต้นตอแห่งอกุศลชนิดอื่นๆต่อไปอีก มีเรื่องเราว่า <c oughs> บัดหลวงท่านหนึ่งนะครับท่านอยู่บริเวณที่ทนี่ไงแล้วก็มีตำรวจไล่ผู้รา้ายหรจะหญิงผู้ร้ายน ะ, ะและ้วทีนี้ตำรวจถามบัดหลวงว่าบัดหลวงเห็นขมโมยมาทางนี้เปล่าบาดหลวงก็ประโยคะย้ายทางนี้สหน่อยน ะ, ะบอกตั้งแต่อยู่ที่นี่ยังไม่เห็นเลยคือไม่ไม่ใช่บัดหลวงนะพระเลยเป็นเป็นคำสอนในศาสนาเรานะครับคำพูดนี่นะอันนี้จะเป็น อันนี้เรียกว่าไม่ใช่มุสาวาทนั่นแหละก็คือเรียกว่าเป็นอุบายอ่ะเขาบอกว่าเขามาถามใช่ไหม mm hmm. ก็เลื่อนเที่อ่ะเขาบอกอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเลยว่างั้นนะก็คือก็เหมือนกับเหมือนกับการรับปากรับคําอ่ะนะบางทีเนี่ยรับทราบไม่ใช่เขารับปากนะใช่ไหมนะบางทีก็เป็นการรับทราบแต่ก็ไม่ได้รับปากอะไรนั้นคําพูดบางอย่างก็เหมือนกันแต่คนที่สามารถใช้วาจาโดยที่ไม่มุสาวาทเนี่ยคนนั้นค่อนข้างมี ฝีมือพอสมควรเหมือนกันนะมองอะไรออกนะมองเหตุการณ์ออกนั่นแหละถ้าหากว่ามองเหตุการณ์ไม่ออกส่วนใหญ่ก็จะรักษาวาจาไม่ได้เพราะคําพูดจริงเนี่ยไอ้คำจริงเนี่ยนะถ้าไม่เหมาะแก่การเนี่ยบางอย่างถึงจริงก็ไม่ประสานประโยชน์บางทีคําพูดจริงก็ไม่ประกอบด้วยเมตตาเพราะ น, นั้นคือไอ้จริงแบบทั่วไปอะแต่ว่าจิตขนาด น, นั้นก็เป็นอกุศลไม่ใช่ว่ารักษาข้อมือสาว่าแต่ไปเป็นข้ออื่น่ะ นะต้องไปดูว่าเป็นผู้สว aja ไหมเป็นพุ้สว aja ไหมเป็นสัมผัสปลาปะเป็นปิสุณาว aja ไหมนะเพราะว่าวาจีกรรมมีตั้งสอย่างใช่หมหนึ่งเทศนะไม่ใช่โอโรักษาฉันไม่พูดเทศแต่หยาบเนี่ยก็ไม่ไหวใช่ไหมนะไม่เทศหรอกแต่ว่าปายุแยงแตะแคงรั่วให้เขาเขาแตกกันบางอย่างจริงแต่ว่าพูดแล้วเขาแตกแยกกันนะเรื่องพูดมีตั้งเยอะแยะโลกนี้ใช่ไหม ใช่ไหมอย่างคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยแปดหมื่นี่พันพระธรรมขันพูดไปเถอะให้จบยังไงก็ไม่จบพระพุทธเจ้าพูดไว้เยอะแยะพูดตามอย่างเดียวเถอะนั่นแหะไม่จบง่ายง่ายฉันมีเรื่องที่จะให้พูดตั้งเยอะแยะแต่ทีนี้ว่าเราเห็นโทษของเรื่องกรรมขนาดไหนด้วยสมมุติถ้าหากว่าอา น, นิสงส์ข้อรักษาศีลตรงนี้ใช่ไหมมีประมาณสิบสี่ข้อเนี่ยถ้าหากว่าเรารักษาการใช้วาจามไม่ได้เนี่ยนะ ไอ้พวกนี้มันจะวิบัติให้ผลหมดเลยนะก็คือบอกว่าโอ้รักษาศีลข้อนี้ดีอันนี้สองแบบนี้แต่ถ้ารักษาไม่ได้นะอันนี้แปรสภาพมาให้หมดเลยนั่นแหละเช่นพูดแล้วคนไม่เชื่อฟังอย่างเงี้ยพูดบางทีนะถ้าเราไม่เป็นหัวหน้าคนก็นแล้วไปแต่ถ้าเป็นหัวหน้าชักชวนบางอย่างแล้วพูดไม่มีใครฟังเลยเนะี่ยมันอยากร้องไห้เหมือนกันนะเคใ่ปะนั่นแหละบางทีงานมันสาคัญสาคัญใช่ไหม ต้องการจะชี้แจงอะพวกไม่ฟังให้เลยอย่างนี้ก็แย่มกันนะดีก็ไม่สบายใจอย่างอยู่ในครอบครัวเหมือนกันฟังหน่อยเถอะฟังหน่อยบางคนเนี่ยแทบจะขอร้องได้โปรดเธอฟังให้หน่อยบางคนเนี่ยนะคนอื่นไม่ฟังเนี่ยใช้เทคนิคแบบรำพึงรำพันเออรำพึงรำพันนี่คนฟังแทนอย่างนี้ยศึกษาวิธีการหลายๆอย่างหน่อย น, นั่นแหละการใช้วาจาเนี่ยอย่าลืมนะมันเป็นกรรมก็คือเรียนเรื่องกายกรรมแต่ถ้ารักษาวาจาดีเนี่ย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 สังเวทนั้นเป็นโอตตะปะซึ่งมีปัญญาเกิดร่วมด้วยนะถ้าสังเวทนั้นจะต้องเป็นไปกับปัญญางนั้นปัญญานั้นจะต้องเป็นลักษณะของกรรมสักตาเป็นต้นนั่นเนอาไม่มีขณะนั้นจะไม่หดหูจะไม่หดหูแต่ถ้าหดหูเนี่ยสายโทสะคือหดหูนี้บางครั้งเนี่ยก็คือเป็นคำพูดที่ อาจจะเป็นไปกับสายทีนะก็ได้เพราะว่าหดหูบางแห่งก็หมายถึงธีนะมิถะแต่ว่าคําว่าหดหูแบบไทยๆก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นโทสะคือไม่ชอบใจอ่ะฟังแล้วงอยแต่นั้นก็เป็นโทสะนะแต่ถ้าสังคมทั่วไปก็ยอมรับว่าเป็นความดีความถูกต้องด้วยนะถ้าหดหูฟังแล้วเรียกว่าสลดในสิ่งที่ควรตลดนะนะตีหน้าเป็นในบทบาทมุกในนั้นก็คนก็ยอมรับไปแต่คำว่าฟังข่าวร้ายมากระยิ้มแป้เนี่ยคนก็ไม่ก็ชอบนักกันเนาะ แต่ทีนี้ว่าถ้าสังเวทใจอะนะถ้าสังเวทใจนั้นจะต้องประกอบด้วยกับปัญญาแล้วก็เป็นความฉลาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในขณะนั้นนะแต่ถ้าโหดหูนี่ก็คือเหมือนกับคนสูญเสียอะไรไปนะลักษณะของโหดหูจะเป็นเหมือนกับว่าสูญเสียไปสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าสังเวทใจนะเหมือนกับสมมติเหมือนกับพระอรหันต์นะว่าได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคดับขันธปริณิพานปั๊บเนี่ยท่านก็สังเวทใจว่า ขนาดผู้มีบุญขนาดนี้นะยังต้องล่วงลับสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยเนี่ยที่จะมั่นคงถาวรไม่มีรกักอะไรพอหมดปัดจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็จุติไปเช่นการตายเนี่ยนะปัจจัยที่ทำให้จุติมีอะไรบ้างนะเสนาแห่งมัจจุราชนี่มีมากเหลือเกินแต่ก็คือปัจจัยหลักๆ ท, ที่ที่ทำให้ ให้ชีวิตไม่สามารถจะสืบเนื่องได้ก็เช่นมหาภูตรูปแต่ละอย่างวิบัตินั่นนะมหาภูตรูปแต่ละอย่างวิบัตินั้นก็เป็นปัจจัยให้ตายได้ถ้า ด, ดินท่าน้ำท่าลมทัาไฟอย่างใดอย่างหนึ่งกาเริบต่อไปก็อาหารเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของจิตนะเรื่องอาหารเรื่องจิตนีก็เป็นปัจจัยให้ตายได้เรื่องของอายุ อายุก็คือชีวิตติน4ีชีวิตติน4ีนั้นก็เป็นนิมิตของกรรมนั่นเองชีวิตนี้มันน้อยจริงๆนะเนาะทำกุศลยังไม่ทันไรเลยไปแล้ว